ا أ و ับิกะอัมไซนะวับิกะนะฮียะวับَ ا ะนามุดวะอิลัยคัน ل ุชูร์อัลลอฮุมะอัลลอฮ عبد ุควะอานะัลลาฮ์ทิกะวะวะดิกะมัสตัตตัต ت อะบูอุลกะ ب ินะมติกะอาไลย์วะอะบูอุบิดันบีฟะฟิ a l l a ช u m m a inni a'udzubika min السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องที่ร่วมนมาศุภหรือนมาศพระญาตทุกท่านอัลฮัมดุลิลลา์ก่อนอื่นเราทุกคนจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และก็เาลที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل าเราผ่านชีวิตในเดุลรอมบอนอันประเสริฐวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่18บแปดฮะมดุลิลลา 19. 19. ห์9ิบเก้าสิลฮะมดุลิลลาห์มีฮะดีษบทนึงแต่รายงานไม่ค่อยแข็งนะ ไม่แข็งไม่แข็งอัดิสค่อนข้างจะด้อยเขาแบ่งรอมฎอนออกเป็นสามช่วงช่วงแรกสิบวันแรกแรกเนี่ยเรียกว่าอยู่ในช่วงราะห์มะราะห์มะหมายถึงได้รับความเมตตาจากอัลลอสุบหาน ن ه และก็อาล้วช่วงที่สองเนี่ยสิบสิบคืนที่สองหรือสิบวันที่สอง อยู่ในช่วงของการมักฟิโร่มักฟิโร่แปลว่าผู้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอสุบฮานห์วาตาลาและช่วงที่สามเนี่ยสิบวันสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้สินะเป็นไอ้ทุุมมินันานาร์ไอ้ทุกุนแปลว่าปลอดปลอดจากไฟนรกหลุดออกจากไฟนรก เป็นหะดีสเป็นคำสอนของท่านนาบีแต่เป็นฮะดีสที่อ่อนนะ น, นะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานฮวตาลาที่เราใช้ชีวิตในเดือนอุบดนตามที่ท่านนาบีสอนพยายามนี่ยทำตัวเราเนี่ยให้อยู่กับกล้ายชิดกับคำสั่งของอัลลอและคำสั่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์อัลสลัมให้มากที่สุดในเดือนอมบดเนี่ย ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอ์ใช้ก่อนหนึ่งนมาดให้ครบวัลละห้าเวลาแล้วก็สองเก็บนมาดสุนัตเรียกว่าสุนนะมุอักกาดะสุนนะมุอักกาดะเนี่ยวันละสิบสองรกอากตหรือสิบรกกาตมีสองรายงาน12บสองรกอากาตมีรายงานว่าอย่างนี้มันซันลลาฟิยาวมินวาไลลาลตินสิน้นใจ อาชรลอตรักอาตันบานุลอห์เลห์บัยตันฟิลจันนะใครที่นมาตวันกับคืนหนึ่งสิบสองรักอาต a l l จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์สิบสองรัอาตนะเขานับยังไงอ่ะสี่รักอาตก่อนนมาตซุคริก่อนนมาตบายน่ะให้ทำสีรักอาตทําทีละสองสอง ก่อนนามาุดดรีนะหลังนามาฎุดดรีอีก2เป็น6หลังนามาฎมกริบอีก2เป็น8หลังนามาฎอิชาอีกสองละก็อัดเป็น10ก่อนนามาฎสุให้เนี่ยอีกสองะก็อัเนี่ยถ้าใครที่รักษา12รอะกอัเนี่ยเรียกว่าสุนนะมอักกด มุอะกกาดเนี่ยแปลว่าอะไรมุอะกกาดแปลว่าที่นบีเน้นเน้นไม่ขาดคือทําเป็นประจำนอกจากเดินทางถ้าเดินทางนาบีไม่ทําแต่ที่จะทําก็คือนามาศก่อนเพระญาติสองร้อยกว่าศี่ น, นบีจะทําไม่ขาดเลยคนที่รักษานามาศแบบนี้ในะวันหนสิบสองร้อกวอาศีอัลลอฮฺจะบานาสร้างใบันบ้าน ล้วูสำหรับเขาฟิลญันนะนานสวนสวัสว์เราเชื่อเราเชื่ออย่างนี้แหละเป็นความเชื่อที่มาจากอัลล์ผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮิัสลามอิมามอ่านเมื่ออายะซุราะแรกอ่ะวันนี้ถ้ารู้ความหมายยกลัวอะไร ทَชข้าศึกในหิลอับบาซาร์มาอันข้ายนี้สิสาารยมรอนตอบไปยก่อนหน้าเนี่ย ولا تحسبن الله غ ا ف ل ا ع َ م ا يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم ت َ ش ْ خ َ س ُ في هِلْ أَبْصَارٍ ติบไยังไงยันี้ก่อนดี่จะตั้บเสดสุรุลอัลก افي อายาที่1ิเนี่ย ขอเวลานิดหนึง่งอ่านแล้วฟังแล้วคนลูกกลัวมนุษย์คิดถือว่าอาลัลลอ์เนี่ยลืมของที่มนุษย์ทำผิดๆเอาไว้น่ะคิดว่าอาลัอลลอฮ์ลืมกันนะั้นหรออออือไม่ลืมไอเรามน่ลืมแล้วแต่อัลลอ์ไม่ลืมอัลลอ์จะปล่อยเวลาเอาไว้ไะไม่ไม่รีบลงโทษบ น, บ น, บ, นบนโลกดุลยาไปนี้ปล่อยกี่วัน ตัชคอสโฟีฮิลอบบาดปล่อยจนตาเลือกปล่อยไปก็ทั้งถึงวันหนึ่งวันนั้นคือวันกิยามะเนี่ยอัลลอ์จะคิดบัญชีทั้งหมดที่ที่ไม่ได้ทำหรือทำความชั่วชั่วชั่วชั่วผิดผิดผิดผผิดเอาไว้ได้ไม่ยอมตบ้าตัวต่ออัลลอ์อัลละ์จะคิดบัญชีวันนั้นตาเลือกตัชคอสโฟีฮิลอบบาซดสายตาในเลือกนึกอ๋อฉันไม่น่าเป็น ไม่น่าปล่อยปละเล้วเลยชีวิตของฉันเนี่ยเห็นพออ่านกูอ่านแล้วถ้ารูความหมายแล้วอิมานมันเพิ่มเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีบัญชีของใครของมันเอาลอเก็บเอาไว้ไม่หายไปไหนแล้วก็ถูกรีคอร์ดเก็บไว้ในสี่แหลงนะสมุดบัญชีเราเนี่ยถูกเก็บในสี่แหลงแหลงแรกก็คือยะดดุลมือกับเนี่ย เท้าเนี่ยถูกเก็บหมดอัยกุรอานตรงไหนที่ว่าว่ามือเท้าเนี่ยจะเป็นพยานกับเราในวันกียมาอลยามานักติมอาลาอัฟวาฮิฮิมว่ตุกัลลิมูนาอยดีฮิมเราจะให้มือพูดว่าัชฮาดูอารจุลูฮุมเราจะให้เท้าเป็นพยานบิมากุนตุมตักซิบูนในสิ่งทีน่น้อยได้ประกอบเอาไว้ได้ทาเอาไว้ในเป็นหลักฐานข้อที่หนึง่ง สแสดงว่ามือกับเท้านี่จะเป็นพยานข้านตัวเราในวันกียมะแลแรงที่สองอะไรอ่ะแผ่นดินเนี่ย earth คุณอ่านตรงไหนครับยาวมาอดินยาวมาดินตุฮัดดิสุอัคบาโรฮาแปลว่าอะไรวันนั้นมาถึงวันเกียมาอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินนะเล่าเรื่องของเราเห็นไหมแรงที่สามมคือมาไก ทีอเนี่ยเนี่ยมาลัยการมาเปลี่ยนเวรในช่วงนามาซุปเนี่ยกะกลางวันที่จะอยู่ต่อไปถึงนามาอสัอสอัริกับกะที่จะออกอยู่เมื่อคืนนี้จะออกเช้าเนี่ยมาเปลี่ยนเวรในเวลานามาซุโบแล้วก็มาลัยการพอออกเวปรปั๊บเนี่ยข้าวฟาววอลล์ก่อนนะมันจะไปอเมริกาก่อ น, นดูละครไม่ใช่ขึ้นข้างบนก่อนเข้าหมาคลายข้าวฟาววอลล์ อเล็กก็จะถามในฮะดิษบอกว่าบาวของตอนที่คุณมาท่านมาในบาวของฉันอยู่ข้างล่างเนี่ยทำอะไรอยู่มาเลกาก็จะตอบว่าว่าหุ้มอยู่สัลลูนพวกข้ากำลังนามาัสารเห็นอย่างเพราะฉะนั้นให้อ่านกุรุอ่านในตอนเช้าเช้าอย่างนี้ว่าคุรุอานในฟัดจดิกานามชาชหูดาให้อ่านกุรุอ่านในตอนประจัน มีสองความหมายให้อ่านกุมภ า, านในนมาศกับเมื่อ น, นมาศแล้วอ่ะให้หยิบคัมภีร์าามานั่งอ่านน่ยสักคึ่งชัง่วโงชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ตามพ อ, อมาศพออา่ า, อานคัมภีร์เสร็จแล้วก็พอดีตะวันขึ้นพอดีพอตะวันขึ้นให้นมาศดูค่าอีกสองรากษาหรือสี่รักษ า, าในมัสยิดนี่แหละนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้ ขอบคุณเรานะเรากำลังศึกษาความหมายจากอักลกุรอานสูรุอัลก้าอัลก้าฟูแปลว่าอะไรชาวอะไร appoint? ชาวถ้าก้าฟูเน่นะคฟในภาษาอังกฤษตรงเหมือนกันใช้คล้ายคล้ายกันนะแปลว่าชาวถ้าท่านนาบีสอนบอกว่าเป็นฮาดิสรายงานดีก็บอกผู้ใดที่ท่องจำ ท่องจำสิบอายะ ต, ต้นต้นของสุรัลกาอุซิมาถูกคุ้มครองถูกรักษาไม่ให้อิทธิพลของชัยตอนอิบลิสนะดัจจารเป็นความชั่วทั้งหมดเลยนะอลัลลอจะคุ้มครองถูกคุ้มครองไม่ให้อิทธิพลของดัจจานี่มามาอะไรนะ่ มาทำมาทร้ายความรู้สึกของเราความคิดความอ่านของเราจะถูกคุ้มครองฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยท่องจำอัลกุรอานสุร์อัลกัฟีอย่างน้อยน่งสิบอายะห์แรกตั้งแต่อะไรนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอันซลอลบดิลกิตาบวลัมยจัลลฮูวจารู้ความหมายด้วย อ่านแล้วรู้ความหมายถ้ารู้ความหมายในสิบอาย่นี้นะพอแล้วเรื่องชิริกไม่มีแล้วก็นับถือพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ก็ไม่ตล้าเลิกหมดจะมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับเพระอักรดาีาถูกต้องอังกรดาที่สห้ะนะครับเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์สุบฮานาหาวูวะตาแหละนะะเอาวันนี้เรามาอ่านถึงอายาที่สิบเ็ดนะ ยาที่สิบเอ็ดก็คือฟาดรับนาะลาอาตาเนห์มฟิลเคห์ฟิสเนหนอัจดดาฟาดรับนาะลาอาตาเนห์มดรอบาเน่เดิมแปลว่าตีดรอบาเน่เรียนท่องใช่ไหมดรอบาดรอบาดรอบูดรอบัตดรอบัตยารอปนาดรอปตาดรอปตุมาดรอปตุ ดรอปตีดอระตุมาดอปประตุนะดรอปประตูดรอปนาดอรอปนาแปลว่าเราเราได้ตีแต่ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าตีเราได้อุดอืมเราได้อุดอุดอุดอุดที่ไหนครับอ่ล่ะอ่านีฮิมอุดที่หูอาจานมาจากอูจูนุนอูจูนานี่อาจาน วะเอียนะหูหู ห, หูอุดหูอัลลอฮ์ได้อุดหูของพวกเขาเหล่านั้นใครอะ่ะคนหนุ่มหนุมที่แอบไปนอนในถ้ำอ่ะไปนอนกันบางคนว่าสี่คนบางคนว่าห้าคนจํานวนไม่เท่าไหร่จานวนไม่สําคัญสําคัญว่าเขาไปเพื่ออะไรเขาไปนอนทําไมเพราะคนเหล่านี้หนี ซึ่งเป็นลูกของนักปกครองเป็นลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นวันนั้นที่พ่อพ่อเขาเนี่ยไม่เอาอัลลอ์นับถือพระเจ้าสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนอกจากอัลลอ์ไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่ลูกๆของเขาเนี่ยมีประมาณห้ากคนเนี่ยเด็กมองดูไม่ใช่ไอ ไอ้ความเชื่อแบบนี้นะไม่ใช่ไอ้กราบแบบนี้นั้นไม่ใช่ที่มันกราผิดอัลลอ์ให้ใช่ไหมน ะ, สะแสดงว่าคำสอนของนบีในวันนั้ น, นคือนบีอิสาอิลัยฮิสาลามแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะมันเกิดก่อนหน้านาบีอิสาแต่ในตับซิดอิบนุกนะซิดอธิบายดีว่า เรื่องนี้เกิดก่อนนบีมุฮัมมัดจะเกิด20ปีในปีที่พฤศจิกาษประมาณที่570ถ้าคิดเป็นต้นโอ้น่าคิดนะอ้าว่าแล้ ว, วทั้งหมดเป็นเรื่อง ต, ต้องการเข้าใจเท่านั้นเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นทีนี้พวกนี้แอบไป น, นอนในถ้ำเนี่ยนอนอยู่เท่าไหร่900 300กับ9ปี ในทางจันทรคติเนี่ยมันยาวกว่าสุรยิยคติเพราะว่าเดือนอรมดเราเนี่ยบางทีก็มียีสบเกาบางทีก็30สบคิดคิดอย่างนี้แหละมันยาวกว่าจันจันทรคติเนี่ยมันยาวกว่าสุรยิยคติฉะนั้นถ้านับทางสุรยิยคติก็ได้สามรอปีถ้านับทางอะไรนะจันทรคติก็ต้องบวกไปอีก9ปี ร้อยละ3ปี3ปี3ปี3 ป, 3ปี300ปีก็ประมาณ9ปีก็300กับ9ปีนั่นคิดทางจันทรคติเพะน่้นระบบะมันมีอยู่สองอย่างระบบชัมซี่กับระบบฟอร์มารีระบบดวงอาทิตย์กับระบบดวงจันทร์ใช่ั้ยเราต้องทั้งสองเราเอาทั้งสองนะครับพวกฟรางเอารายการเดียวอะไรนะสุรยิยคติ พอมัดเนี่ยเดือนนี่ไม่เอาแต่มุสลิมพุทธนี่ยใช้เดือนค้ามสองข้ามสามข้าสี่ข้ามห้าข้าอย่างนี้เป็นต้นเพื่อต้องการจะให้เราท่านผูกพันกับธรรมชาติเราจะนมาซูฮ์ต้องมองตะวันจะเข้าเดือนต้องมองเดือนอย่างนี้เป็นต้นต้องผูกพันกันต้องสองอะไรกันนะทีนี้คุณอานเล่าให้ฟังนะ ฟ บ, บ, บนาลอาอเหมและเราได้อุดหูพวกเขาในทับเสือธิบายดีนะให้นอนหลับอุดหูเนี่ยให้นอนหลับอุดหูเขาให้นอนหลับฟิลคาฟีอยู่ในธรรมสนีนะอาดาดาเป็นเวลาหลายปี เป็นเวลาหลายปีแต่ในอายาอื่นอนธะิบายไว้สามรอยกับเก้าปีนะทีนี้ <c oughs> เด็กหนุ่มที่ว่านี่นะนะเด็กหนุ่มเนี่ยแสดงว่าเด็กหนุ่มที่มีศาสนาเด็กหนุ่มที่พวกเธอที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนะเป็นเด็กหนุ่มทั้งหมดเนี่ยเด็กหนุ่มที่มีศาสนาเนี่ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาลา น บ, บีสอนอย่างงี้มีคนอยู่เจ็ดจำพวกนะที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นะก่อนที่จะเข้าสวรรค์นะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์มีอยู่เจ็ดจำพวกอย่าลืมนะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ใหญ่มากเลยโกเลห์หนที่สุดคือวันกิยมามะนะก่อนจะเข้านรกก่อนจะเข้าสวรรค์ก่อนตัดสินเนี่ย ยืนบางคนยืนนานถึงห้าหมืนปีบางคนยืนนานพันปีบางคนยืนนานเนี่ยทวงมหัศเจ้าเท่ากับน้ำหมาสองลาานะกัดน่ะไอ้ยืนานานๆแบบนี้เนี่ยไม่มีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้หัวมากที่สุดไม่มีกำบงังไม่มีอาคารไม่มีต้นไม้ที่จะหลบหลบความร้อนเน่ยไม่มีดังนั้นคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีอยู่เจ็ดจำพวกหนึ่งในเจ็ดก็คือ ชาบุญคนหนุม่มนัชาวรยอิบ้าดติรบบิฮีใช้ชีวิตอยู่กับการสแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮุ์ะลนี่เราเอาลูกหลานมาอยู่ที่โรงเรียนมีหอพักให้อยู่แล้วใช้ชีวิตตั้งแต่อายุอัลลอสบสองาสสหเนี่ยอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺได้อ่านกุรอานทุกวัน ได้นามาดทุกวันได้วิครุณลอทุกวันได้ถือศีลอดในเดือนอรมดอนได้อ่านอัลกุราอานอัลลอฮ์อบกวได้รูกขึ้นนามาด อ, อัลลอฮมันเป็นชีวิตที่พึงพอใจจากอัลลอฮคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเด็กหนุ่มในสมัยสมัยนู้นน่ะที่กูอ่านเล่าเป็นชาวท่ำเนี่ยหนุ่มก็อายุประมาณสิบเจ็ดป้ายนี่แหละ โอดิเป็นไงครับอ่มามนุษย์เป็นคนที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักษานะคนที่มีศาสนาคนที่เรียนศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาอย่าเอารู้นะรู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันนะรู้กับเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตัวเอ็มร้อย แต่คนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเป็นคนที่ดีฉะนั้นในัมพีกุ่นอ่านนบีเนี่ยว่าจะขอดุอาให้ซอฮบานนาบีเนี่ยนบีค อ, อยยังไงอั um um ลลอฮุมมาฟกิฮูฟิดดีนอัลลอฮุมมาฟกิฮูฟิดดีนแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์โปรดให้เขาคนนี้เข้าใจศาสนาไม่ใช่รู้นะ ถามว่านมาสให้เวลารู้ไหมรู้แล้วรู้แลรู้รนมานป่าเปลา่ปลาเดี๋ดร้อนรู้ไหมรู้รู้รู้รู้อดอาหารตั้งแต่กินโบตั้งแต่พระญติขึ้นถึงตะวันตกบวชป่าเปลา่ปลาก็ไม่รู้ไะแต่เข้าใจเนี่ยมันไม่กลา้าอ๋อกันถ้าเข้าใจาศาสนาถึงนบีเวลาจะขอดูอาให้ใครหรือ ใ, ใครมาขอร้องให้นบี ช่วยขอดธอษาให้ฉันหน่อยเนี่ยนบีจะบอกว่าอัลลอฮุมฟักฮุฟิดดีนโอ้อัลลอฮ์ให้เขาคนนี้อัลลอ์เปิดใจให้เขาเข้าใจศาสนาคนเข้าคนที่รู้การเมืองกับเข้าใจการเมืองไม่เหมือนกันนะคนคนเข้าใจเนี่ยเขาเขาเขา เ, เข้าใจหมดเหตุการณ์แต่เขาไม่คุยเฉยเฉยก็วางตัวฟอร์มดี คนเข้าใจาศาสนาเหมือนกันเขาจะปฏิบัติตัวดีใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราขอองคอาตอลอให้ขอว่าอย่างนี้โอ้อัลลอฮ์โปรดเปิดหัวใจฉันให้เข้าใจาศาสนาออิสลามโดยเธอเรื่องอีมานด้วยเธอเนะอะ่ทีนี้เด็กหนุ่มๆเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่โคลต้นไม้อ่เรื่องจริงมนะันเป็นอย่างนี้ในฮะดีษในตัฟซิตอ ธ, ธิบายไว้ดีนะเด็กหนุ่มไปรวมกันที่โคนต้นไม้ ไปนั่งกันตั้งนานเสร็จแลว้วก็ต่างคนต่างมองหน้ากันไม่กล้าเผยเพราะว่าหนีจากพ่อมาหนีจากคุณลาคุยใหญมาหนีจากกษัตริย์ที่บังคับให้เด็กหนุ่มหนุมเนี่ยกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุภานโอโอาะอูบดานพอมานั่งกันแล้วก็นั่งมองหน้าก็อึดอาดก็ถามว่าคุณมาอย่างไรกันเนี่ยก็พูด ฉันเนี่ยหนีมาคุณหนีมาคุณหนีมาโอ้เหมือนกันหนีจากผู้ปกครองหนีจากกษัตริย์หนีจากคุณลาคุยย์บ้านเมืองที่บังคับให้มนุษย์เนี่ยบูชากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์แต่เด็กเจ็ดแปดคนเนี่ยเขาไม่เอาต้องหนีอ่ะแต่นี่พอห น, นีเสร็จแล้วเลยนะกษัตริย์ให้เวลาเจ็ดวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ก น, นีมันก็นไม่ยอมอ่ะประัตริย์ก็ไม่ยอมนักปกครองมันก็นไม่ยอมมันจะเอาให้ได้อารอก็เมตตาก็พวกคนหนุ่มนี่ขอดุมาขอว่าไงนะที่ผ่านมาแล้วเนะี่ยขอว่าไงนะรบนาอตินามิลดุงการาะห์มาวยไฮละนามินอัมรินารชัดะแปลว่าอะไรข้าแต่พระพุทอภิบาลของเราเอ๋ย ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่พวกเราว่าให้ยิล้นะทรงทำให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนี่เป็นการขอดุทิศอัลลอบฮฺอัลลอฮ์คุ้มครองเลยเป็นนอนอยู่ในถ้ำหลายปีนะในการำปีกรุกรอานว่าไงนะอิซีนีนาดาดาเราได้อุดหูพวกเขาให้นอนหลับอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาหลายปีอัลลอลลอฮฺอัลฮฺมูรริยาห์ในตัฟซีดอธิบายดีนะตัฟซีดภาษาอูรดูพูดอย่างนี้แดดไม่ส่งถูกตัวอยู่ในถ้าเนี่ยแดดเวลาแดดขึ้นตอนเช้าๆเนี่ยแดดเนี่ยส่งออกมาไม่ถูกตัวคนนอนคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยแดดส่งไม่ถูกประการที่สองนอนหลับ แต่ดูเหมือนไม่หลับคนเดินมานอ่มันนอนกันไม่กล้าไม่กล้ายุ่งเห็นไหมนี่เป็นองัลลอฮเป็นงานของอัลลอฮทั้งหมดอัลลอฮจัดเอาไว้นะอ่าข้อที่หนึ่งอะไรนะแดดไม่ท่งถูกตัวคนนอนในถ้าอันที่สองนอนหลับแต่ดูเหมือนไม่หลับ นะครับนี่เป็นเฮกมากทั้งหมดเลยนะครับแล้วต่อมาอายาที่สิบสองซุมมาบาสนาหุมลินา علم أي ا ح ز ب ي ن أحصل ما ل بسوء أ د ا สุมมาบาสนาหุมบาสานี่แปลว่าลุกขึ้น นอนที่นอนนอนอยู่หลายปีเนี่ยนะซุมมาบาอาสนาฮุมแล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเรานี่หมายถึงใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลหมดนะใช่ไหมน่ะเนี่ยพี่น้องที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ดูแลนะเนี่ยนอะัลลอฮ์ดูแลนะให้เลสกีประจําวันดูแลทุกวันใช่ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ปล่อยนะอัลลอฮ์ดูแลหมดนะ สมมาบาอสนาโุมและเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นลินาลามะเพื่อเราจะได้รู้ว่าอายุลฮสบนี่สองพวกอายุแปลว่าผู้ใดในสองพวกนั้น อ, อัคซอแปลว่านับเวลาลิมาลาบิสูเวลาที่พวกเขาพำนัก นะครับอยู่ได้ถูกต้องกว่าอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้หลังจากที่ให้พวกเขานอนหลับอยู่ในถ้ำนานถึงสามร้อยกับเก้าปีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้พวกเขาเนี่ยลุกขึ้นม า, าเพื่อเราจะได้รู้ว่า ผู้ใดในสองพวกนั้นนับเวลาที่พวกเขาพำนักอยู่ได้ถูกต้องกว่ากันว่าอยู่ในท่านนานานานเท่าใดต้องการจะรู้ให้ให้คนที่นอนอยู่ในถ้ำเองเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาต้องการจะรู้ว่าคุณนอนเท่าไหร่คําตอบเป็นไงรู้ไหมฉันนอนแค่วันเดียวฉันนอนแค่วันเดียว ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับนอนวันเดียวอ้าวมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วนี่แหละเรื่องนี้เกิดขึ้นใิประเทศอิตาลีหนังสือพิมพ์ไทยผมยังตัดเก็บเอาไว้นะมีรถไฟขบวนหนึ่งที่ประเทศอิตาลีนะมันวิ่งลอดอุโมงต้วนต้วนต้วนตวนวนวนวนวนวน วันนั้นน่ะก็วิ่งรอดอุโมงค์เหมือนปกติธรรมดานั่นแหละแล้วมีคนโดยสารประมาณหนึ่งร้อยกับสองคนนั่งอยู่บนรถไฟขบวนนั้นอ่ะพอวิ่งเข้าไปในถ้ำเนี่ยไม่ได้ออกอะ่ะรัฐบาลก็ส่งทหารเข้าไปสำรวจเอนี่ยมันเข้าไปในถ้ำแล้วมันหายไปเลยนะ่ะหายไปกี่ปี สี่สิบปีเขาก็ปิดเลยปิดถ้ำเลยแล้วก็หาช่างหาหาช่องอื่นใหม่ทาทางเดินรถไฟใหม่ปิดปิดช่องเลยเพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อซีหลกักจาอีสี่สิบปีเนี่ยรถไฟขบวนที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยมันมาจอดที่ชานทลามาจอดภาพคนก็ตกใจกันหมดนะ่ะโอเอ้า คุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยทางกันตั้ง40ปีรู้ได้ไงว่า40ปีบางคนเข้าไปในถ้ำนั่นตอนอายุ40เมียที่บ้านนะอายุ50ปรากฏว่าเมีย50 60 70 80นั่งรอผัวอยู่40ปีอายุ80ปีเขาก็พาคนที่อยู่ในรถทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่าสองคนไปที่โรงพยาบาลไปเช็คร่างกายดู จังมาเช็ ก, ก็ได้ผมว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ในรถนั้นเข้าไปเหมือนกับเข้าไปจะสักสามสี่นาทีพอกลับไปถึงบ้านไปเจอมีอายุแปดสิบเป็นเบาหวานนอนอยู่อยู่คนกันลุงชายเป็นหนุ่มแล้วคนตอนจากไปอายุสองขวบกลายเป็นสี่สิบสองวตกอกตกใจกออทังจากไปตัป้งสิบปีจริงๆเลยเนี่ย แต่ว่าความรู้สึกของตัวเองเหมือนเข้าไปาอยู่มาสักสองนาทีหรือสามนาทีเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันคนนุณนอนกี่ปีชาวบ้านเขานับอยู่เนี่ยกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยอ้าวนี่มันคนละสมัยเนี่ยมันนับได้ประมาณสามร้อยกับเก้าปีแต่ความรู้สึกของคนที่อยู่ในถ้ำนั่นเหมือนกับนอนคืนเดียวเพื่อต้องการจะบอกให้พวกเรา่啊 นอนอยู่ในกูโบวันนี้เองกฟื้นแน่ๆคนที่เชื่อว่าตายแล้วไม่ฟื้นน่ะคิดใหม่ถ้าอ่านประวัติอย่างนี้แล้วก็จําเรื่องอิตาลีนะ่ะต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แล้วก็คนที่นอนอยู่ในกูโบจริงๆเนี่ยเป็นพันๆปีถามว่าจริงๆคุณนอนเท่าไหร่ความรู้สึกแค่นอนครึ่งวันหรือวันเดียวเท่านั้นเองนี่น่าคิดมากเลย แต่มันจะได้พวกเราอยู่ในโลกโลกดุงยาไปนี้นี่นะวันนี้น้องถามท่าไรผมนี่เจ็อปีอยู่บนดุงยาเนี่เบื่อยังเบื่อแล้วอยากจะกลับไปอยู่ใต้ดินเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ใช่ไหมแต่ความรู้สึกลงตายจริงๆอ่ะพอฟื้นขึ้นมาอยู่บนดุงยาเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยแค่สามนาทีสี่นาทีห้านาทีนอนอยู่ในกุโบบวกแล้วไม่เกินสามสี่ชั่วโมงความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ทําไม เพราะโลกอาเคิรนั่นมันยาวกว่าโลกดุนยาเนี่ยเยอะมากเลยบางคนยืนนานห้ามือนปีเนี่ยและชีวิตราดุนยาเนี่ยเท่าไรายอย่างดีก็80บเอาร้อยหนึ่งแค่ร้อยปีไอ้นั่นห้า0มืนมองภาพดุนยาดุนยาไม่เห็นมีอะไรจะมีเป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นนี่อัลลอ์เล่าให้ฟังก่อนว่าชีวิตดุนยาใบนี้กับชีวิตในอัลลัมบัซักษไม่ยาว ขนาดนอนอยู่ในถ้ำ300กับ9ปีเหมือนกับนอนครึ่งวัน <c oughs> นี่เป็นต้นนะนี่นะทำให้เราได้อีมารเราเฟรชอีมานเรากระปี่กระเป๋าขึ้นตลอดเวลานะจะได้ดูอีมาดูกลุ่มท่านหลาจงพัฒนาอีมา ท, ท่านให้ให้อะไรนะให้สดใสตลอดเวลาซนะุมมาบารสนาภุมเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้น หรือนาอัลลัมเพื่อเราจะได้รู้อยยายุฮิสไบนี่ผู้ใดในสองพวกนั้นนับเวลาอซซอลิมาและบิซูเวลาที่พวกเขาพำนักอยู่ได้ถูกต้องว่านานเท่าใดคำว่าฮิสไบนี่อธิบายอย่างนี้สองพวกนะพวกเขาตื่นขึ้นมามีความเห็นขัดแย้งกันนาอธิบายอย่างนี้ คนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยจะเป็นกี่คนก็ตามพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเถียงกันเถียงกันอีกคนหนึ่งพูดแปล ว, ว่าอิตาเซติอิบโนกซิตอธิบายแปล ว, ว่าบางคนมีความเห็นว่าพำนักอยู่ใน น, นั้นนานเท่ากับหนึ่งวันหรือครึ่งวันเห็นไหมอีกคนหนึ่งบางคนเห็นว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าพักนานเท่าใด นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาเสียงกันเฮ้ย <Hey, S 1> นอนเท่าไรวะครึ่งวันบางคนนานะต้องให้อัลลอฮฺคุณนับไม่ได้อัลลอฮรู้อยู่องค์เดียวนอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละพอตื่นขึ้นมากลายเป็นสองพวกสองมกักะฮฮิไบเนี่ยสองปาร์ตี pair, ้นะฮิสบุลแปลว่าพัดฮิสบุลแปลว่าพวกนะ ฮิสบายนี้กลายเป็นสองพวกนอนอยู่ด้วยกันแท้ๆพอฟื้นขึ้นมามีความเห็นไม่เหมือนกันกลายเป็นสองพวกอีกพวกหนึ่งว่านอนวันหนึ่งหรือครึ่งวันอีกพวกหนึ่งบอกว่าถามอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ถามอัลลอ์อัลลอฮ์รู้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่คือคุรุอ่านพอเราศึกษาคุรุอ่านเราสบายใจไหมสบายใจนะครับอ่ะต่อมาอายาที่สิบา ن ح ก نقص عليك نبأهم بالحق แปลว่าอะไร نحن แปลว่าเรานักอุสุเราจะมาจับคิดโซนะเราจะเล่าเรื่องอะไรกัให้ท่านนบีมูฮัมมัดฟังอย่าลืมว่าคุรานเนี่ยอัลลอประทานไม่จะให้กับพวกเรานะให้พวกเราให้อ่านศึกษา แต่คนแรกที่อัลลอฮ์ส่งก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัลละยิวะสัลลัมอัลลอ์เล่าว่านะโนนากุสวาัยกะเราจะเล่าเรื่องราวของชาวถรร้มอะัยกะให้แก่เจ้ามุฮัมมัดนาบาอาหุมซึ่งเรื่องราวของพวกเขาบิลฮะติความจริง เล่าเรื่องจริงๆให้ฟังตรงนี้อธิบายยังไงอธิบายว่าเรื่องชาวถ้ำเนี่ยคุยกันเยอะเล่าไม่ค่อยเหมือนกันหรอกใช่ไหมอันนี้ก็เล่าอย่างอันนี้ก็เล่าอย่างนึงสิบคนก็เล่าสิบอย่างฉะนั้นอัลลอฮฺเลยบอกว่าฉันเล่าเองอะเล่าแบบไหนบิลฮักเตเล่าแบบถูกๆต้องแสดงว่าเรื่องโกหกเยอะ เหมือนกับประวัติของนบีอะไรนะนบียูสุฟใช่ไหมนบียุซุปเนี่ยประวัติเล่าไม่เหมือนกันแต่ละคนเราบอกฉันเล่าเองถ้าอัลลอ์เล่าเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องเลยอะลยฮุหมุ ล, ลิลฉหะนั้นอัลลอฮ์ก่าอัลกุบุรานนะฮ์โมนักพุทธของเรากนะนับอาฮุบิลฮัเราจะเล่าเรื่องราวให้มมฮัมหมัดฟังซึ่งเรื่องราวของพวกเขาตามความจริงนะ แสดงที่อลัลลอฮ์เล่านะจริงหรืไม่จริงอลัลลอฮ์จริงหมดเลยไม่อลัลลอฮ์ไม่พูดโกหกเพราะอาลัลลอฮ์เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเลยนะไม่เล่าเรื่องโกหกไม่มีนะครับเล่าเรื่องจริงทั้งหมด อ, าอา้าวอัลลอฮ์เล่าว่าไงอินนุฮุมฟิชยาตุนอามะนูบิรอบบิห์แท้จริงพวกเขา อินนาฮูมแท้จริงพวกเขาเด็กหนุ่มๆที่นอนอยู่ในถ้าเนี่ยเป็นคนประเภทไหนฟิทยาจุนอัลฮัมดุลิลละแสดงว่าคนหนุ่มเนี่ยมีศาสนาได้ไหมได้คนหนุ่มอยู่ในศาสนานีได้ไหมได้คนหนุ่มที่อิมานตอรอมีไหมมีอ่ะนี่สแสดงว่าคนในยุคนั้นเนี่ยนะ เก่งมากเนี่ยสอนคนหนุ่มให้อีมานต่ออัลลอ์ได้ทั้งๆ ท, ที่พ่อไม่เอาศาสนาใช่ไหมพ่อไม่เอาอัลลอ์พ่อบูชาอะไรอะ่ะบูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บูชาอาว่าพวกคริสเตียนก็นมีอยู่สามใช่ไหมพระบิดา พ, พระบุตรพระอะไรอีกพระแม่ใช่ไหมเอาไ่สามอะ่ะอาจจะกราบใครสักคนนะพก็ไม่รู้อัลลอฮ์ว่ารำ AH าใช่ไหมแต่เด็กหนุ่มนี่มายังไงเนี่ย ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์องเดียวทั้งๆที่ผู้ปกครองวันนั้นนะบังคับให้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์สุบฮานะฮูตอลาแสดงว่าคนหนุ่มนั้นถ้าดูแลให้ดีเนี่ยเป็นคนดีได้ไหมได้นี่ไงอามานูอินนาหุมฟิชยาตุนอามานูอัลลอ์เนี่ยใครที่ดูแลเด็กหนุ่มเนี่ยเนี่ยจาราซีซีดูแลเด็กหนุ่มๆเอาไว้ให้อยู่ในศาสนา แต่ผลลบุญเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์และพ่อแม่ที่ดูแลลูกมาให้เสียคนนะผละบุญขนาดไหนอัลลออาบหุลเลาะหฉะนั้นเวลาดูแลเด็กๆต้องมันขอดูนะอลลาตลอ์มันขอดูอายาอัลลอฮให้ลูกชั้นมีอีมานให้มีอีมานต้องลงทุนเท่าไรถามมาติตกสวงลูกสาวไปอยู่อียิปต์ใช่ไหมเพอจะหาอีมานเนี่ยนะไปหาความรู้นะ สตาอิมอรอน่ะจบจะกปากีสถานน่ะไปหาอิมานจากกุรานเป็นฮัฟงฮัฟิสเนี่ยใช้เวลาเรียนกี่ปีกว่าจะเป็นคนดีในสังคมเนี่ยประคองตัวเท่าไหร่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่อย่าลืมมีรางวัลตอบแทนตลอดทั้งหมดใครที่อยู่ในศาสนานี้ปกป้องตัวเองไม่ทำความผิดไม่ทำความชั่วเป็นฟิทยาตุนอามานูเป็นเด็กหนุ่มที่ ก็อาคุบัตมี إ ي م านมีาศาสนาเพราะไ ม, ม่มี إيمان มีศาสนาเนี่ยจบเลยนะชีวิตของเขาเนี่ยถึงมันจะถลายไปบ้างมันกลับตัวได้ไอคนที่ไม่มีาศาสนาเนี่ยสิหลอกกลับไปถลําไปแล้วนึกว่าฉันถลําถูอร่อยอยู่ไอความผิดนั่นแหละขาดทุนฉะนั้นถล้ำแล้วมีคนเตือนอ่านคัรอ่านเองอะไรเองแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองห้ัมดุลินเลยนะครับ อินนาหุมฟิทยาตุนอามานูพวกเขาอีมานต่อใครบีรอบบีหิมต่อพระผู้อภิบาลของเขาพอมีอีมานแล้วเป็นยังไงวาซิดนาหุมฮูดาและเรามาถึงอัลลอ์ก็จะเพิ่มทางนำแก่เขาอัลลอ์เห็นไหมใครที่มีทางนำอยู่แล้วที่มีอีมานอยู่แล้วอัลลอ์ก็ increasing แปลว่าอะงไรนะเพิ่ม ว่าเพิ่งทตงน้ํอะไ้อีกอเอาโลให้ไหมแต่นั้นเราต้องดูแลลูกของเราให้ดีให้มี إ ม م านพอมีอม م านแล้วนี่อรรถสัญญานะวาซิดนะฮูหูหดะเราก็จะเพิ่มอีมานให้แกเขาเพราะว่าคนหนุ่มอย่างเดียวคนแกเสียใจคนแกด้วย <c oughs> ที่คุยว่าคนหนุ่มหนุ่มๆอะไรเพื่อให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องดูแลคนหนุ่มหนุ่มสาวๆาว นบีพูดยังไงรู้เปล่าประเทศบ้านเมืองปรโลกใบนี้จะเสียหายเพราะฝีมือคนหนุมนบีพูดอย่างนี้ฮาลาคุอุมมัติอะไรยาดายิลิมานีคูเรชนบีพูดนะฮาลาคุอุมมัติความความชีพหายพูดอย่างงี้มันง่ายหน่อยความวิบัติ ของอุมมาของฉานนั้นจะเกิดขึ้นเพราะยาใดสองมือริลมานเด็กนมกูเรชเด็กหนุ่มของชาวกูเรชเด็กนุมไม่เอาศาสนาและจริงไหมจริงครับเด็กนมไม่เอาศาสนานะจบเลยนะร อ, ออักบัตเมื่อคืนนี้ผมไปงานของสิบหก อยู่บนเวทีกับอาจารย์ยูซุปเนี่ยนั่งอยู่บนเห็นชัด เ, เด็กนุมยกเก้าอีฟ้ฟาดหัวกันก็เห็นชัดนั่งอยู่บนเวทีเนี่ยเห็นไหมคนนุมทั้งหมด น, นะมาฟังศาสนาให้พี่ น, น้องมอกกันเลาะกันอ่ะอาจารย์โรสกินบอกว่ามาจากคลองคลองอร่อยแค่นั้นแหละนี่เห็นยังไงนั่นท่านเอาคนนุมเนี่ยฮายูฮายูหมัด เอาคนนมให้อยู่ในาศาสนาไดา้อัลฮัมยุลิเล่ลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่คิดเรื่องซื้นา่าไม่คิดเรื่องลักขโมยไม่คิดเรื่องโกหกตอแหลสังคมเย็นไหม อ, ลอลัลลอฮ์เจริญแครคนจะรับผิดชอบดูแลรางวัลมีไหม อ, ลอลัลลอฮ์รางวาัลอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นนบีพูดว่า คนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอ์ในวันเตียมะหนึ่งในเจ็ดจังพวกก็คือชาบุลนาชาฟีอิบาดะติอบีเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่กับการปฏิบัติตัวเจริญเติบโตมากับการพักดีต่ออัลลอส์ سبحانه และลาลงตายอยู่ที่ผู้ทจะไปสวรรค์เรียบหเลยละัมบาริลละนะต่อมา นนโนกากนะมาอหุมบิลฮักเราจะเล่าเรื่องของชาวถ้ำเนี่ยให้นบีมุฮัมมัดฟังซึ่งเรื่องราวของพวกเขาบิลฮักตามความเป็นจริงแสดงว่าในสมัยนั้นมีนิยายเหลวไหลเกี่ยวกับเรื่องนี้แพร่หลายอยู่มากเลยอลลอฮฺ Allah ขอเล่าเองเองเล่าอินนหฮุมฟิทยาุน แท้จริงพวกเขาคือหมู่ชายหนุ่มผู้ศรัทธาในพระผู้อาภิบาลของเขาวัดิดนาหุมฮูดาและเราได้เพิ่มทางนำแก่พวกเขาฟิทยาเนี่ยแปลว่าอัชบาบนะแปลว่าชบายสบาบแปลอะไรนะคนหนุ่มนะคนหนุ่มนี่มุ่งหาความจริงนะครับแล้วก็ปฏิเสธ คำเรียกร้องเชิญชวนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์นี่นะปฏิเสธแล้วก็ยอมรับในอัลลอฮ์องเดียว Allah อัลลอห์อักบัดยิ่งใหญ่เหลือเกินนะ <S <S เอาต่อมาครับ <S <S คำว่าวาซิดะหนาฮุมฮูดาแล้วเราเพิ่มอีมานให้กับเขาอายานี้วรรคนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้อิสตาดลลาฮะเบฮิลยะอา ย, อายานี้ต้องการจะอธิบายว่า ร้อยรัวให้ดินมืนละอิ ม, มบรรดาอัลลมไม่ใช่คนเดียวนะเยอะกลับบุคครีเช่นอิมามบุคคลีนะวกร้ยรีฮีและคนอื่นๆอีออกต้องการจะบอกว่าอีมานของคนนั้นมีเพิ่มและมีลดเอาอัญานี้มาเป็นหลักฐานวาซิดนะฮุมพูดาเราจะเพิ่มอีมานให้แกเขาอาญานี้ อิหม่าบุคหรีเองตั้งบาปฮะดิษของของท่านว่าอัลอิมานยาซีดูว่ายังกุสอีมานเนี่ยนะของคนนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดมานเนี่ยเอาหลักฐานมาจากไหนว่าอีมานมีเพิ่มมีลดก็อายา่านี่ยวาซิดนาฮุมฮูดเราจะเพิ่มอีมานให้แก่เขาฉะนั้นจะให้อีมานเพิ่มทํำยังไงต้องเรียน จะให้อีมานเพิ่มต้องทำแต่ของดีดีดีดีดีดีดีจะให้อีมานลดอย่าทำของดีทำของเลวเลวเลวเลวเลวอิมานขึ้นหรือลดลดถ้าจะให้ต้องให้อมานอิงเครื่องยิงอิงเครคร่มานเพิ่มเพิ่มเพ่มทำแต่ของดีดีดีดีดีดีอมานเพิ่มจะให้อีมานลดอย่าบวชอย่าอ่านคัรอาร์นอนถึงเที่ยง ออืมันตัวอ้วนดำเมี้มเลยนั่นแ่ละชาตอนตัวแท้เลยเห็นไหมฉะนั้นอยากให้อิมานเพิ่มด้ก็ลดจะให้อิมานเพิ่มนองเหนื่อยครูก็ต้องระวังนั่งอ่านกูอ่านก็บหลับตื่นนี่แหละอิมานเพิ่มถ้าใช้อิมานลดอย่านมาดหยุดนมาดหยุดอ่านพูดอ่านนอนมาต้องบวช กินข้าวโซโหยาวเดียวแอบไปนอนไปแก้บวดข้างนอกอีกนี่แหละอิมานลดถ้าอิมานลดเนี่ยรอดลงโทษไห้ยังตัดคอโูฟิลอบสอดอัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้เอาไว้ตาเหลือข้างเดียวเอาไปถ้าอ่านกุ๊อ่านอย่านย่าอย่าอย่าอย่าอยมาอย่าอยมาอย่าอย่ย่าอาอยอาอยาอย่าอย่าอ่ม่าอย่า่าอาอง่าาอาอย่าอาอ่อ่า่าอ่าอาอ่ เวลาลดลหน้าไม่ซีดนะหน้าแดงวันดำสูบุรีปุ้ยปุ้ยปุ้ ย, ยแล้วเข้าสุราล์นะดบุรีทิ้งอัลลอฮอักบาดมาเลายก์กว่าอยดูมันเข้าโซรา์ได้มันสูบบุรีไม่ได้บ้วนปากสักนิดหนึ่งอัลลอฮฺกอัคบาดมาเลาย์กามาจูปากอายากูจูไม่ลงเว้ย อย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาขดิษอธิบายอีกนะอธิบายอย่างนี้ไอ้คนเนี่ยนะไม่รู้จักกันแล้วมารักกันได้ยังไงต่างคนต่างมานั่งอยู่โคนต้นไม้ไม่รู้จักกันแต่รักกันเพราะอะไรในขดิษอธิบายอย่างนี้มาบุคคลีนะอัน อ, อิชาห์ดรดิยัลลอฮฺอัลลละุลลลลอฮฺซุลลลัม อัลอาโรวาฮูจูนูดุนมูญันน่ะเดต้องการจะอธิบายว่าวิญญาณของพวกเราวิญญาณของแต่ละคนแต่ละคนก่อนที่จะจะมาอยู่บนโลกดุนยาใบานี้วิญญาณนี้อัลลอฮ์สร้างมาอยู่ในวินอยู่ในโลกแห่งวิญญาณอยู่ก่อนแล้วทีนี้ไอวิญญาณอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเนี่ย ตอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขารักกันเขาไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันเขาอยู่เป็นเยมาอักกันใช่ไหมพอมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่นะอัลลอฮ์ก็จะให้เขามาพบกันอีกนี่ที่เราพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะนี่อัลลอฮ์ก่อนหน้าที่วิญญาณจะเข้ามาอยู่ในร่างเรานะอยู่ในโลกแห่งวิญญาณวิญญาณมันรักกันนั่งกันแบบนี้แหละ วันนี้พอมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยก็มาพบกันอกนีกขระจาย ใ, ใช่ไหมอัลลอฮดุลิลลาห์เราเป็นคนหลายโลกนะอย่างนั่นก็โลกอลัลลอฮฺารวาอลัลลอฮดุนยาอลัลลอฮบัตซักอลัลลอฮอาเสี่โลกมันจะธรรมดานะคนตั้งสี่โลกนะฉะนั้นก่อนที่เราจะมานั่งอยู่ในมัสยิดนี้เนะี่ยวิญญาณของเรากับเพื่อนเราเขาสนิทสนมกันมาก่อนแล้ว พอมาอยู่ตรงนี้ก็มาสนิทกันอีกถึงจะต่อยกันบ้างบางครัง้งบางคราวนะครูตีปับสองปับมันก็หายหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำลองว่าวิญญาณของเราก่อนที่จะมาอยู่บนโลกดุจยาไปนี่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่หรือไม่ใช่ใช่เขาต้องการจะอธิบายว่าไอเด็กหนุ่มห้าหกคนเนี่ยลูกหลานใครก็ไม่รู้ะแต่มันนั่งอยู่โคนต้นไม้ดานรักกันเพราะอะไร วิญญาณของเขาก่อนจะเข้ามาอยู่ในร่างเรานี้เคยเป็นมิตรกันมาก่อนอลหัมดินแลนี่ฮะดิษอธิบายนาบีสอนฟา마ตาอารฟมินฮุมะอิตลาฟาถ้าเขารู้จักกันมาก่อนนี่นะเขาก็จะเป็นเพื่อนรักกันแต่หากเขาไม่เคยถูกกันก็คอมเมนตคอมกันอย่างนี้แหละยังไรนอกจะเอ า, าศาสนามาจำกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งอายะสุดท้ายครับ ก่อนจะอธิบายยสุดท้ายยังมีอีกที่บอกคนที่หลบไปอยู่ในถรรนะ้มน่ะมาแช่ชาวถ้ำในอย่างเดียวนะใครอีกลองนึกสิน บ, บีมุฮัมมัดกับใครกับท่านอบูุบักตอนอบพยพจากนครมักกร์ไปอยู่ที่นครมาดีนะนั่นยายใหญ่กว่าชาวถ้ำในอีกอยู่กับสองคนในถ้แาแต่ศัตรูมาเยออยู่หน้าถรร้มแล้วก็ท่าน บอกว่านาบีนบีจ่หรืนบีครับที่ามันก้มหน้ามันเห็นพวกเราศัตรูอยู่ข้างหน้านเห็นไหมล่ะนันอยู่ในถ้ำไหมถ้ำซุดนะครับเหมือนกันเหมือนกันเดียวกันคล้ายๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าชาวถานะ้าน่ะเป็นประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่กว่าชาวถานะ้ำเน่ยมีอีกคือการสร้างชั้นฟ้าของอลัลลอฮฺและแผ่นดินใหญ่ที่สุด อาญีบคนยังไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อัลลอฮประทานความรู้ให้นบีมุฮัมมัด knowledge alive ให้คำพีให้เป็นลีดเดอร์ให้เป็นผู้นำมันใหญ่ที่สุดนะคนยังคิดไม่ออกเลยพอเรื่องอาลุกาฟี่ฮือฮากันใหญ่นอนแค่สามรกวกาฟี 9, ใหญ่กว่าอาลุกาฟีมีไหมมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตั้งแต่งตั้งนบีมฮัมมัดให้เป็นนบีด้วย มีความรู้นะบีอ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถพูดโอ้โหพี่น้องหลายคนงงมุหมัดพูดได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงมหัศจรรย์ยิ่งกว่าชาวถา้าซะอีกและนบีกับท่านอะบูบักอยู่ในถ้าก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอายะสุดท้ายวารบับตนาลาปุูบหิมวรบบก้อนแปลว่าเราได เราได้ผูกรอบัลล่ไปว่าผูกนะเราได้แต่บคนไทยก็แปลดีนะเราได้ให้ความเข้มแข็งอ่ารอบัลล่าไปว่าให้ความเข้มแข็งอย่าลืมว่าใจของมนุษย์เนี่ยใครดูแลเรามันจะดูแลหัวใจเรานะใครเป็นเจ้าของหัวใจใครใครอเมริกาหรือญี่ปุ่น ดูจีนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของหัวใจอัลลอฮ์สกิลแบบไหนก็ได้ให้ใจจะคิดอะไรก็ได้แค่าันโดนขอดวงนะ่ะยามุกลิบัลกูลูโอผู้อะไรนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหัวใจของฉันซา บ, บิตกอลบียดาดีนิโปรอะไรนะโปรให้ความเข้มแข็งมั่นคงเกิดขึ้นในหัวใจของฉันโดยเธอขอจากใคร ขอจากอัลลอ์เพราะอัลล์เป็นเจ้าของเราว่าแค่ดูแลไม่ให้เป็นไม่ให้เลือดตันอย่างเดียวยังแย่ต้องต้องพาสามเส้นนี่ยคุณเฉลิมกับผมเนี่ยเท่ากันนะวารบัตนาลากลูบิฮิมเราได้ให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นที่หัวใจของพวกเขาเห็นไหมแสดงว่าใครให้นะอัลลอฮ์ แต่ท่านเราต้องขอดุทิศต่อ Allah เ ย, ยอะๆยะ Allah ซบิตกอลบีอาลาดีนิกให้ใจทำเข้มนะมาขอให้พาอย่อขอให้แล้วก็ตัวเองขออขอก ข, ขอจากอขอจาก Allah ซบิตกอลบิอลาดีนิกนี่ Allah เล่าเองนะวา่าเราบนาอลากรูบิมเราได้ให้ความแข็งแขมเข้มแข็งเกิด ข, ข, ขึ้นนี้ที่หัวใจของพวกเขา อีกก็มูขณะที่พวกเขากอมากกอมากมูยืนขึ้นฝักก็ูพวกเขากล่าวกล่าวที่หมายถึงขอพรหรือว่าประกาศพอยืนขึ้นประกาศประกา ศ, กาศว่างไง ร, รบบุนารบบุษมาวะติวลรบบุนาแปลว่าพระผู้อภิบาลของเราคือ รับบุษามาว่าพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าวันอื่นนีพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินเ อ, อิร์ธสังกฤษเหมือนกันเ อ, อิอร์ธอาร์นะแผ่นดินทําไมอัลลอฮ์กล่าวว่าพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินพูดตรงนี้อธิบายยังไงต้องการจะอธิบายกับคนวันนั้นน่ะนับถือพระเจ้าสององค์ องหนึ่งบริหารชันฟ้าอีกองหนึ่งบริหารแผ่นดินมีความเชื่อที่ผิดทั้งหมดนลน ะ, ะยิ่งวันนี้พระเจ้ามีกี่องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกเ ย, เยอะั้ยเยอะและพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในสุราวดีพระเจ้ามีกี่องคองเดียวรอบบุสมาวาติวัลอารดีพระภูเขไอาบานแห่งชันฟ้าและแผ่นดิน ในอินเดียมีต่างล้านพระองค์ล้านองค์ดูแลฝนดูแลต้นไม้ดูแลภูเขาโอ้เ oh. นี่เวลาจะไปฉีก็เหมือนกันมีคนถามผมที่พัทยามาคืนวันเสาร์เ น, นี่ยเจ้าที่ขอฉีหน่อยะลูกหมาจะฉีหน่อยมันเอว่ามันเป็นลูกหมามัว่ามันลูกคนลูกหมาจะขอฉีตรงนี้หน่อยขอฉีหน่อยถามผมว่าได้ไหมบวกไม่ได้ เราต้องขอต้องอ่านจากใครขอจากอัลลอฮ์ดูอานบทไหนอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามินั่นคู่บูศอวัลอบะอสอยากคิดว่าอ่านดูอาบทนี้เฉพาะเข้าซ่วมบันเรานะไปฉีโคนต้นไม้ตรงไหนก็อ่านบทนี้ลองไม่อ่านเดี๋ยวบวมระวังระวังบวมมาหลายคนแล้วรู้ชอบอยากให้มันใหญ่ใช่ไหม ลัคนาดเอาว่ามินดูนิฮีอิล า, าเราจะไม่วิงวอนลัค น, นดัดอาเราจะไม่วิงวอนมิ่นดูนิฮีอื่นจากอื่นจากพระองค์เนี่ยนะอิลลาห์พระเจ้าอิลากับรอบไม่เหมือนกันนะอิลาแปลว่าพระเจ้ารอบพระผู้อภิบาลนะควาความความหมายไม่เหมือนกัน รับแปลว่าบุพกอภิบาลอิล่าแปลว่าพระเจ้าฉะนั้นเขาว่าอิลาหมายถึงแล่อิลลัลลอฮพระเจ้าจะต้องกราบไหว้ไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียวนะแล้วก็เดกรนาอิดันชาตโตมิฉะนั้นเราก็กล่าวเกินความจริงอย่างแน่ น, นอนชาตโตแปลว่ากล่าว เกินความจริงฉะนั้นคนที่ยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนที่อยู่ในการดูแลเป็นอัจติดาที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกคิดถูกเชื่อถูกคิดถูกทําถูกถ้าเชื่อผิดคิดผิดทําผิดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคุรานเนี่ยสอนเราในเรื่องความเชื่อต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเป็นผู้บริหารโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ก้มก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และเรารู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งสามสามอย่างนะหนึ่งอัลลอฮ์อี e ที่คุยเอเตอร์อัลลอ์ผู้สร้างเอเวอร์เ n the world สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่เพียงผู้เดียวสร้างแล้วดูแลบริหารจัดการนะครับเฝ้าดูแลักษาด้วยไม่จะสร้างแล้วก็ทิ้งงานบบพวกพวกเราที่รับงานไว้เยอะใช่มหมสร้างสร้างรับงานมันทิ้งงานของอัลลอ์ไม่ทิ้งนะข้อที่สองอลอ์เป็นพระเจ้า อธิบายยังไงเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เรื่องที่สามอัลลอฮ์มีสิทธิเท่าไหร่99าสิบาขะอัลลอฮ์พูดทุกวันพูดพูดทุกวันสั่งงานทุกวันปับปับปับทุกวันเห็นทุกวันมองทุกวันรู้ทุกวันใช่ไหมอย่างนี้ไม่ตถึงะนั้นสิทธิ์อัลลอฮ์มีอยู่3ข้อใหญ่ๆ1ญ่หนึอัลลอฮ์ Allah เป็น ผู้อภิบาลผู้สร้างรับผิดชอบดูแลยังไม่พออลัลลอฮเป็นอิลลอิลลหมายถึงเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจาก อ, าอัลลอฮและอลัลลอฮมีศิฟธตรเท่าไหร่นะ99พระนามที่พวกเราชอบลดให้เหลือ20ดับวพุโลกนั่นแหละไม่รู้ใครสอนของ99ลดเหลือ20สิบอัลลอักบั อย่างนี้เป็นต้นเอาเราไม่พูดกันพอพูดแล้วบางทีมันก็อึดอัดใจนะทีนี้คำว่ารอบัตนาเนี่ยนะ อ, นนาาอัลลอฮ์ให้กำลังใจที่เข้มแข็งรอบัตนาในภาษาอุดูห์ฮิมัตสุบัสซิบะตัวอิสต์กลาลให้กำลังใจที่เข้มแข็งให้มีความอดทนสูงให้มีความมั่นคงให้เป็นคนที่ยืนหยัดเนี่ยเราต้องขอดุทิต่อให้เราเป็นคนที่ ยึดมั่นในอัลลอ์แล้วก็ให้กำลังใจที่เข้มแข็งให้มีความอดทนสูงให้มีความมั่นคงให้มีความยืนหยัดอีกเรื่องหนึง่งนบีอิซาเนี่ยสอนนบีอิสาเป็นมุสลิมนะแล้วก็นบีอีสราห์ในไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์นบีอีสรา์ไม่ได้เคยสอนใครให้นับถือพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์ นับถือน บ, บีอีสาเป็นพระเจ้าน บ, บีอีสาเคยสอนไหมไม่เคยมะของน บ, บีอีซาก็ไม่เคยสอนว่าให้ยึดอันนี้เป็นพระเจ้าคู่กับอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือเราต้องยืนหยัดในอัลลอฮ์นะครับแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวสมัยก่อนนั้นอัลลอฮ์เข้าใจว่าพระเจ้ามีอยู่สององค์องค์หนึ่งบริหารชั้นฟ้าอีกองค์หนึ่งบริหารแผ่นดิน แต่ในอิสลามบอกว่าอ ah uh ัลลอฮ์มีองค์เดียวบริหารทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดนะครับสุานะคัลลอฮุมบิฮมดิกะุัลลอฮิลลฮอิลลาัลลอฮอัสตัฟรุกวอตุบุฮิลัสสลามุอะลัยกุมะรห์มตุลลอฮวะบรกต